นัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเทพในเรื่องของบิวตี้ในเรื่องของใครผู้หญิงไงเดี๋ยวนี้เอาจริงนะผู้หญิงอยากจะรู้ทุกความสุขความงามต้องหันหน้าอ่ะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> สสดทำไมต้องสวยขนาดนี้อ่า น, านำตัวก่อนหนอสวัสดีค่ะนัทนิสัสมบดีนะคะหรือว่านัสบัสดแป้งๆๆๆๆๆๆๆ เกียวกับงานไม่ได้แนำนำตัวก็แนะเองอะไรเองฉันยนเองนะฉันยึดรายการก็ยังได้ได้เธอทำได้เฮ้ยการที่เป็นเน็ตไอดอลแล้วเป็นแบบแนวหน้าพูดเลยว่าถ้าพูดถึงนัทีิสสันณีนี่คือแนวหน้าของบิวตี้บล็อกเกอร์ชีวิตมันเป็นยังไงมันสวยงามแบบที่เธอให้ฉันเห็นนะเวลาเขอเล่าคำว่าเน็ตไอดอลก่อนตอนแรกนะพูดจริงๆเราคิดว่าใครที่มียอดไลค์เยอะก็ เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยไปๆมาๆเราเริ่มสังเกตทาไมหัวข้อข่าวเวลามันเกิดเรื่องยี่งขึ้นนะเนาะเขาจะบอกว่าเน t i ไอดอลทำพิษอีกแล้วเนไอดอลจนเรามานั่งนึกอ๋อมันไม่ใช่ทุกคนที่มียอดไล์อ่ะเป็นเน็ตไอดอลนะความหมายคาว่าเน็ตไอดอลคืออินเทอร์เน็ตกับไอดอลก็คือแบบอย่างตัวอย่างใช่ปะดังนั้นมันหมายความว่าคนคนนั้น่ะมันจะต้องเป็นคนที่ หน้าเอาเป็นแบบอย่างด้วยไม่ใช่แค่ยอดไลค์อย่างเดียวอนันเลยมีความรู้สึกทุกครั้งว่าเวลามันมีการภาพของข้อข่าวแบบเน็ตไอดอลไม่ดีอย่างนี้เราจะรู้สึกพวกนั้นไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ถ้าไม่ดไม่ใช่เน็ตไอดอลเออหรืออะไรอย่างนี้เน็ตไอดอลต้องเป็นคนที่หน้าเป็นตัวอย่างหรือนันก็และแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าเราไม่ควรไปกระทำไปจัดตัวเองว่าฉันคือตัวอย่างของโลกออนไลน์นะมันเป็นเรื่องที่ตอนคนอื่น่ะ ไปโคตรเออถ่ายตัวเองแล้วมันไม่สวยจะบอกว่า้ยวนเนี้ยน้าแต่หน้าสวยมากมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ก็มาแต่ก็มาแล้วก็บอกว่าแจ๊กพูดสิเนียแจกอาทางนีแจกสวยจังเลยค่ะเขิใจมากอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ภูกันต้องเหลือเสือพึ่งแหละใช่แต่ว่าหลายคนก็จะเข้าใจว่าแบบอาชีตนันี้สาบันีหรือจะเรียกว่าเน็ตไอดอลแบบ s o c i a i n u e n r o g g ต่างๆนะคะคือนัดบอกกันเลยว่าตัวเองอะเป็นคนที่ อยากทำอะไรเราทําและเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าคนดูอยากดูอะไรอะเออคนรู้สึกว่าคนดูอยากดูอะไรคนยุคนี้เขาอยากดูอะไรกันนา่าจะเอายึดจากตัวเองก่อนอย่างคลิปนัดเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับอืมุกตลกต้องเป็นมุกที่เก็ตเลยอบางอย่างที่มันต้องไม่ต้องถอดรหัสอ้อนหนึ่งสองปุ๊บคือต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นพวกสายแมสเออคืออย่างแจนเนี่ยอาจจะเป็นความแบบยูนิเฉพาะกลุ่มเนอะ อยู่ๆเปิดมาจะอีแจ้ปุ๊เนี่ยเอฟหนูดูอยู่ต่างคนแต่อย่างนิสสาวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบตลกที่มันชาวบ้านก็เก็ตเขาดูเพราะเราอ่ะเราเป็นคนที่อจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบความแมสมากเอหลายคนวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะมีความแบบฉันต้องยูนีคฉันต้องมีความแบบเฉพาะตัวเชื่อไหมอะไรก็ตามที่มันแบบคนในสังคมชอบ อันนี้มันตามเทรนด์อันนี้หมืนอย่างหนู<อ>จะเสพมากาผมเนี่ย save, save, เพลย์เซฟเมคอัพเพลย์เซฟกระเป๋าแบรนด์เนมของเรื่องที่ซื้อเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกไอเทมเพราะว่าเราคือคนแมสคนหนึ่งก็คือคนแมสมองเข้ามาต้องเข้าใจเลยเออเห็นแล้วไม่ไต้องแกะว่าแบบเสื้ออะไรกับ เปล่อะไรต้องเก็ตเลยเก็ตเลยไม่ต้องมาขอพนแมสมากเออซึ่งด้วยความที่ชอบแล้วก็เสฟของแมสก็ทําให้พรีเซนต์ออกมาได้แมสใช่ใชแต่ว่าคนที่เฉพาะกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าสะบัดแปลงโหลว่ะนี่สัมบันดีโหลแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆนะชอบมากชัวว์วเดินไปว่าหนูสวยจังเลยแกอะไรหรอเนี่ยซึ่งไอ้นนันน่ยเชื่อไหมสำหรับแจ้นี่คือตัวจริงอ่ะดูดูนี่เมื่อกี้ไม่ได้สะกิดเท้ารนะ ซึ่งคือตัวจริงคือคนอที่แบบคนที่ยูนีคนที่นีใช่ไก็พราวไปออพราวไปแต่ไส้แห้ง่งนอนตายไปแบบแห้งๆแต่อันเนี้ยคือใครจะว่าไงไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเดินไปโอ้สวยคนทุกคนเก็ตนี่คือตัวจริง อ, อันนี้แอบบแบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะจะบอกว่าไม่มีใครรู้ตัวตนหนูเลยเออแม้กระทั่งตัวหนูเองจนถึงวันเนี้ยหนูลืมตัวตนตัวเองไปแล้ว ว่าหนูอะ่ะชอบอะไรจริงๆพูดหนูอยากทำอะไรจริงๆเพราะทุกคันนี้กลายเป็นว่าหนูจะหยิบเสื้อผ้าอะไรอะ่ะฉันว่าคนดูชอบอันนี้ชอบผู้ชายชอบอันนี้นึกออกปะเราอ่ะ ค, คิ ด, ดแทนคนมองอมโดยที่เราแมสจนอุ้ยผู้ช่วยถึงกับตกใจออไม่เคยเล่าให้นางฟังด้วยนะผู้ช่วยเอา ทุกคนอ่ะจะเข้าใจว่าหนูเป็นคนแบบโ อ, ย i, อ, อ้ยนัดหรอกคลาสซี่มากโอ้ยเขาแบบแมสมากจริงๆแล้วนัดอ่ะเคยมีความชอบที่มันเป็นยูนีทุกคนจะมีความเป็นตัว ต, ตัวเองใช่ปะแต่ว่าเราทำงานในจุดที่คนดูชอบแันนี้แม่สันชอบมันนี้อฮยต้องพูดแบบเนี้ยพี่ปอนชอบต้องทำตัวแบบนี้ในรายการนะคนดูชอบจนนัดอ่ะไม่รู้ว่านัอ่ะชอบอะไรลึกๆข้างใน ฉันอยากทําอะไรอืเลือกๆข้างในกูชอบกระเป๋าใบนี้จริงไห ม, มแต่ว่าเราซื้อเพราะเราคิดว่าเราคิดว่าคนอะชอบที่มองเข้ามาเราคิดว่ า, วาอุ้ยทำแบบเนี้ยคนชอบอะไรอย่างเงี้ยเอ อ, เ อ, อจนแม้กรั่งทั่วนี้ตัวนั้เองนะก็ไม่รู้ว่าแบบข้างในแล้วอะ ฉันชอบใหม่เนื้ออกป<ะ>ังนี่คือสิ่งที่กำลังจะถามแหละนี่เปิดใจมากเลยด้วยใ จ, จคือจอดใจแหละ <c oughs> แต่ฉันนั่งแทนพี่ดูพี่เฉยแล้วฉันก็เลยจะถามแบบ ว, ว่าแล้วมันมันทําให้เราบางครั้งเกิดความขัดแย้งในใจแบบเนี้ยที่แบบเอ้ยตัวตวนจริงคืออะไรวะเพราะว่าทําให้แบบแต่คนดูทําให้กับคนที่มองเข้ามามันเคยเกิดความขัดแย้งในใจไหมตัวบอกว่า มันเกิดมันมี<ง>ช่วงหนึ่งมันเกิดอืมแต่ว่าจนตอนเนี้ยหนูเหมือนหนูเหมือนกระดาษใบหนึ่งที่สีมันแบบมันมันเป็นเหมือนศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสที่มันไป้เยอะไปหมดจนเราไม่เห็นพื้นข้างในไปแล้วอะไรเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แม้กระทั่งแบบตัวหนูก็ตอบไม่ได้ว่าฉันอยากทําอะไร อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราเคยรู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรในสิ่งที่เราชอบไหม เ, ออเหมือนในเซี่ยวนึงในหัวมันติง๊งอืม แต่ไม่รู้เราว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรก็เลยรู้สึกว่าเงินช่างมันงั้นเราก็ยึดความเป็นแมสไปเลยเราเราแทนไปเลยว่าฉั้นนี่แหละคือคนที่รู้แน่ๆเลยว่าคนอ่ะสะท้อนแมสชอบดูอะไรเออเอใช่เอาไว้สักอายุห้าสิบหกสิบูค่อยยูนิคละกันดีดออซึ่งกว่าจะห้าสิบหกสิบก็นู่นสบายแล้วเปล่าหน้าไหลแล้วน้ำหากมาอยู่ที่แกแกมาอยู่ที่เออคือว่า พอแจ้งเข้ามาปุ๊บมันเริ่มมีตอนนั้นมีแบรนด์แล้วนะห้าหปีที่แล้วอะ่ะมีแบรนด์มาจ้างแล้วนะเออซึ่งคิดว่าเป็นคนแรกเลยแหละที่ได้เงินจากแบรนด์นะจริงแล้วก็พอทําแบรนด์ปุ๊บตั้งแต่ทําแบรนด์ปุ๊บเฟลกับชีวิตว่าแบบว่าเฮ้ยเราคืออะไรอย่างนั้นเลยนะมีความไม่เป็นตัวของตัวเองมีความไม่เป็นตัวของตั ว, <ม>ตวเองเลิกทำไปเลยเป็นปีๆเลยนะค่ะเออ<ม>แล้วก็กลับมาคือแบบสงสัยไปเลยอะ่ะว่าคือเราจัดการกับ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยอะออย่างตัวนาราตอนเริ่มทําสบัดแปลงครั้งแรกหลายคนจะชอบถามขอเล่านิดนึงละกันมันเริ่มจากตอนนั้นที่ Facebook มันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าสตรีมมิ่งไลฟ์เนาะเราก็ลองกดไลฟ์ดูมันคืออะไรอวะเดียวกดปุ๊บป๊บทำอะไรอยู่ตอนนั้นแต่งหน้าเอคุณผู้ชมเอาใช้แป้งอันนี้นะอันนั้นนะไดๆอะไรเงี้ยอันนี้ขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยนะว่าช่วงยุคแรกเริ่มผองสบัดแปลงมันคือการที่เป็นของที่เราอะ ใช้จริงๆนั่นคือตัวตนเราจริงๆเมื่อสองสมปีที่แล้วเลยปุ๊บพอมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะให้คนดูเข้าใจว่าพอมันมียอดคนดูมันมีชื่อเสียงรายการที่มันมีเรตติ้งมันจะดึงอยู่ทั้งคนดูและสปอนเซอร์คุณผู้ชมจะเข้าใจไหมอวลยรายการอีพีหนึ่งี่มันตลกว่ะมึงอะไรกันเนี้ยส4มสี่ห้าพอมีสปอนปุ๊บคุณจะไปจ้าวนไม่ตลกไม่ได้เพราะว่าทุกคนอยู่ได้ด้วย ่างอีดอจะมาให้เขาหน้าฟรีๆให้กูเก็บผิวระบาดไปล่ะอออะไรอย่างดี้ใช่มันจะมีช่วงนึ่งที่ฉันไม่ได้ใช้แป้งตัวเนี้ยแต่ว่าเขาส่งมาพร้อมกับอะค่าเสียหายใดๆเนาะปุ๊บแต่ดิฉันขอยืนยันนะคะว่าดิฉันเป็นหนึ่งในคนที่จ่ายภาษีเต็มจุกจุแล้วก็เลิกเม้นว่านี่สาวงินไปซื้อของแบรนด์เนมจ่ายภาษีหรือยังเช็คล้วกูจ่ายเจ็ดล่ะ เออเป็นคนที่จ่ายภาษีจุกมากพี่ตอนคนหนึ่งก็อย่าเรียกว่าจ่ายภาษีจุกนั่นก็หมายความว่าก็รับจุกเหมือนกันอ่ะเสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงที่เราแบบเราไม่ได้อยากใช้แป้งตัวนี้อืมเราไม่อยากทาลิปติกสีนี้อเราก็สับสนกับตัวเองว่าเราจะนําเสนอออกไปยังไงทีเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองหนูแล้วถ้าตอนนั้นหนูมียึดความเป็นตัวเองนะยูนิคเนี่ย ก็คงจะไม่หลับแต่พอเรานึกภาพเราคือที่ประชาสัมพันธ์เราเราหนูจะเปรียบเทียบจะเป็นช่องทีวีช่องนึงแบบเปรียบเทียบชาวบ้าง่ายๆเนาะกูก็คือทีวีช่องนึงอะ่ะเขาหน้าที่ของเราคือการพรีเซนต์ให้มันน่าใช้อืใจฉันจะไม่อยากใช้หรือเห็นว่ามันมันดูห้าบาทอ่ะหน้าที่ของเราคือการพูดให้มันดูเป็นพันเป็นแสนนึกออกปะซึ่งหลงังๆหนูเริ่มสนุก สนุกกับสิ่งที่การพรีเซนต์ให้มันดูน่าใช้พอเวลาเราพูดปุ๊บเฮ้ยมันดูน่าใช่อ่ะมันเป็นการว่เวลาลูกค้าติดต่อมาคุณน้าเชื่อไหมลูกค้าแบบติดต่อมาเยอะเพราะเขาบอกคนนั้นถือแล้วมันน่าใช้เราเกิดความแบบพราวในตัวเองขึ้นแบบอ๋อความสามารถของฉันก็คือการแบบหยิบสิ่งหึงขึ้นมาแล้วทาให้คนดูอ่ะสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าเรามีความสามารถนั้นตั้งแต่ก่อนเราทําหรือเราทําแล้วเราถึงรู้ว่าเรามีความสามารถนั้น เอาอย่างนี้ถามตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยเออว่าตอนเด็กๆอะ่ะโตมายัางไง <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจืปาก่ะจือปากบอกว่าไปนอนบ้านงัดนี้ตีสี่ใช่ตีห้า<ๆ>เพงเจ้าแม่กวนอิมขึ้นออกินข้าวกันแล้วคะ่ะตีห้าคือชีวิตนะาะอ่ะแปลกมากผ่านมาแบบอาจจะไม่ดราม่าที่สุดในประเทศนะแต่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า ขอบคุณทุกปัญหาความยากลำบากในเด็กที่ทําให้นาตตสตรองทุกวันนี้คนที่มาตามนั้นหลังอาจจะแค่เห็นภาพว่านิสาไฮาเนาะวันวันชอบนึกออกปะถูกเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออเก่งนั่นก็จะเป็นเหตุผลเพราะเราต้องมาคุยต้องมาแบบให้เขาได้เห็นนี่อีกมุมนึงห น, น่อยคือจริงๆเราต้องบ อ, อตอนเด็กเนี่ยลำบากมากมคือนาตตเป็น คุณพ่อเสียไปตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยมีโอกาสเป็นสาวเพศสแบบช่ำช้อไม่เพราะนเป็นลูกคนจีนไงถ้าประป้าอยู่ก็อาจจะแบบโดนตีเอเสร็จปุ๊บที่บ้านเนี่ยเคยรวยมากก่อนต้องเล่าอนี้ก่อนว่าตอนที่นัดยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะอนุบาลเนี่ยที่บ้านรวยมากเฮ้ยมีแบบพี่เลี้ยงมีคนรับใช้แล้วมันมาเสือกลําบากอะไรตอนกูโตรู้เรื่องพอตอนเราไม่รู้เรื่องอะเรามีพี่เลี้ยงพอกูเริ่มพูดได้ถูกบ้านเป็นปุ๊บ บ้านจนมากแม่ต้องลุกขึ้นมาแบบขายข้แกงมแม่คนเดียวไม่พอไงปูกนิสาย ด, ด้วยเออมื่อก่อนชื่อนัดชยัยตีสามต้องตื่นแล้วไปตลาดแล้วก็ต้องหั่นผักต้มปลาเป็นทำกับข้าวเป็นเพราะช่วยแม่ทำแบบกับข้าวที่บ้านต้องตั้งใจเรียนมากทุกวันนี้ที่แบบเรีดีเกศสี่ได้ๆนะเกือบจะแตกเกศนิยมนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเรียนเก่งนะความจนมันบังคับคือ เขาจะมีทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนเออกูเกียรติชื่อนี่อีดอหเรียนดีก็พอปะซึ่งแม่บอกว่าต้องเอาให้ได้พร้อมไม่งั้นก็ไม่มีเงินส่งเรียนก็อถ่่ะอยากโดดยางปะแต่แบบอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เล่นหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนมันเป็นเคสแบบบังคับทางอ้อมอ่ะจนกระทั่งก็ได้ทุนนั้นเออเราก็ได้ทุนนั้นแบบเราก็กลายเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนเราก็ช่วยแม่ทํากับข้าวใดๆ น้าเป็นคนที่ทำงานพิเศษเร็วมากอายุสนะิบ้านเริ่มทำงานแล้วนะทำอะไรก็คือตีสาตื่นมาช่วยแม่เสร็จปุ๊บเสาร์อาทิตย์เราไปเฝ้าร้านเสื้อผ้าที่เซนทรัเวิลด์เออตั้งแต่สมัยยังไม่โดนไฟไหม้เลยเป็นพาร์ทไทมออแล้วก็ จะพรีเซนต์พี่เขาเลยบอกวพี่หนูเลิกเรียนสามโมงครึ่งหนุมาถึงนี่ได้แบบสี่โมงครึ่งรับแบบอีกไก่อีกครึ่งวันไหมหรืออะไรแบบสี่ทุ่มห้างปิดหนุเก็บร้านให้ตีสามตื่นมาช่วยแมทําแบบข้าวต่ อ, อเจ็ดมงไปเรียนโอ้โหนี่ควงจรชีวิตใช่วงจรชีวิตที่ช่วงแรกนานนะ่ะไม่ชินกับการทํางานนะ่ะมต่ต้องบอกอยู่ว่าตอนแรกเราไม่รู้เราทําให้มันเป็นแบบเราก็ทําช่วยแม่หาเงินใดๆใช่ปะ จนเราเริ่มเข้ามาปลายแบบมห้ามหกเนี่ยสังคมเด็กมันจะแบบเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีการแบบได้ดายอวดเอิรต่างๆช่วงแบบเริมเขาทีนเอชนันโนนเราก็เริ่มเอ้ยเพื่อนไปดูหนังเออเราไม่ได้ไปดูเราแปลกเออเพื่อนแบบเมืองไปดูหนังไหมเราบอกเราไม่มีตังเพื่อนบอกเราแปลกเราก็เริ่มแล้วองงเพื่อนกินซเวนเซนเอาแพงมากไม่กินไผ่ทองเออเพื่อนแบบ เริ่มงงเราก็เริ่มมาสึกอ๋อเราเริ่มรู้แล้วว่าจะอยู่ได้มันต้องมีตังค์เริ่มเก็ตไอเดียทอว่าเงินใช่แล้วพอความมันก็จะมีความน้อยใจเข้ามาว่าอย่างเช่นเพื่อนบางคนไม่เห็นต้องทำงานเราเพิ่งมารู้นะว่าเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวอหรอเ้ยฉันอยู่เพื่อนมาเซนต์เทนเวิร์เหมือนกันแต่เพื่อนดูหนังอีนิสาไปทำานค้าเสื้อตัวนี้ไหมค้าได้ๆเราเราเพิ่งมารู้ว่า คนปกติเขาไม่ต้องทํางานนะแล้วมันก็ทุกคนจะต้องมีช่วงวัยที่อายชีวิตตัวเองเออเพื่อนเดินผ่านหน้าร้านเชื่อป้าหนูวิ่งไปหลบเพราะว่าคนกออ็หลอแบบย่ อ, อ, อ, อกมาทํางาน อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยนึกอ อ, ออกปะ้ะมันเป็นช่วงแบบปมตลกมากที่นะัดเชื่อว่าเด็กทุกคนอาจจะต้องมีอะไรแบบเนี้ยแบบแม่ไม่ต้องมาส่งนะโรงเรียนนะออพอเราโตมาเราเพิ่งรู้ว่ามันอบอุ่นออแต่ตอนเราเด็ก แม่นหนูอายเพื่อนอหรือออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นตอนเด็กหนูมีปมกับความจนอืแล้วยิ่งตอนเข้ามาหาลาัยคือมันหนักมากอืเด็กแฟชั่นเนี่ยต้องเล่ากับนะักเรียนแฟชั่นมสวเนาะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างมีตงังหรือใครที่เรียนขณะเนี้ยจําเป็นจะต้องมีตังใช้คํานี้เลยอวันไปสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็มทุกอย่างอือาจารย์ถามข้อเดียวเลยเออดูดูเราเนี่ยที่บ้านหนูมีตังส่งเรียนจบไหม ถ้าไม่มีเงินส่งเรียนจบครูขอเขาพูดเลยนะครูขอไม่ให้เรียนได้ไหมวันนั้นเป็นวันที่ไม่รู้สิผิดกับการโกโหกเลยหนูพูดตรงๆบ้านหนูมีตังค่ะเรียนจบแน่นอนอ๋อไอ้กูยังติดค่าติวพิเศษกับครูที่มาสอนออติวแตอชั้นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นน่ะหนูรู้เลยว่าถ้าหนูพูดความจริงออกไปว่าหนู อ, อ, อาจจะต้องกู้เงินเรียนนะคะเชื่อเปล่าหนูคงไม่ได้เรียนออพอหนูเข้าไปได้แล้วปุ๊บ ทำไงดีอีดอกค่าหุ่นแรปปิ้งอะตัวห้าหกพันกูได้เงินไปวันลกสิบบาทเอากันที่ไหนมาเราก็ยิ่งต้องขยันทางานแล้วก็กู้กอเยอสร์พอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มเข้าวงการนางงามตอนอายุสิบหกชีวิตฉันลดผลมากเดี๋ยนะเธอบอกว่าสิบ้าเธอเริ่มไปช่วยเขาขายเปิดร้านขายที่เชนทัวเวอร์แล้วนะอาชีพแรกคือเป็นเบย์แม่ในร้านอาหารเดินเออล้ังจงลังจานหั่นผักสองคือไปเฝ้าร้านเป็นพาร์ทไทม์ร้านเสื้อผ้า แล้วก็สามคือเริ่มเป็นนางงามนางงามงานวัดก่อนคุณผู้ชมเออก็ไปเราเชื่อไหมว่าความลำบากในการเป็นนางงามคือแบบแต่งหน้าแต่งตัวนั้นตั้งแต่ห้าโมงเย็นประกวดสี่ทุ่มประกวดจบกินโมงให้ทายพี่ปอนตีสองตีสได้สองพันแบ่งกับพี่เกก 5, รืยงก็ละพันพราวฮ่างนินได้แมงพันแบ่งพ <9, 000 S 2> ันเพราะว่าเขาจะให้แบบผู้หญิง ขึ้นก่อนถูกปะใช่กระเทยขึ้นทีหลังแล้วก็เธอขึ้นนั่งเราชุดไทยมันลํำบากมันอึดอัดมากมันแบบเราทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงนะลองพื้นหน้าลองพื้นตัวซึเมันมันสร้างใหม่มันสร้างใหม่มันอึดอัดมากแมงวีบินมาเกาะบินต่อไม่ได้นะเพราะมันเหนียวเออมคือการลองรองพื้นทั้งตัวแล้วเราก็พาวแล้วเราก็แบบพูดตรงๆนะตอนนั้นไม่ได้รักกันเป็นนางงามนะรักที่ว่าความสวยมันห่าเงินได้ อ่านั่นเป็นจุดแรกแล้วจุดแรกที่แบบเฮ้ยความสวยหาเงินได้ไม่ได้ว่านัดรักเด็กนะอยากเดินนางไม่จ้าไปเพื่อจะเอาตังค์กับปวดนั่นแหละใช่แล้วก็เริ่มไปเป็นนางงามทีนี้รายได้ก็พอจะมีบ้างด้วยความสวยของเราด้วยแหละเราก็ชนะชนะชนะถูกถูกแล้วที่สำคัญอย่ากได้ให้ตอบคำถาม เอาเป็นว่าเป็นแขกรับเชิญที่ฉันไม่ต้องถามอะ่ะตอเองถามเองอะไรจั่วเองนี่ไงแล้วนัดจะพูดอันนี้คือความจริงที่นั่งด้วยกันมาประมาณ15นาทีแล้วเนี่ยมีเสน่ห์มากาพูดจาน่าฟังแววตาสำเนียงมือไม้มีเสน่ห์มากจริงจริงจริงหล่อที่บอกวิเคราะห์อยู่ว่าคนดูก็อยากจะฟังอะไรหรือพี่ปอนอยากจะฟังอะไร มันเกิดจาก<ะ>อาชีพต่อไปอ ค, อคือพอเรนเป็นนางงามเนี่ยแล้วมันจะมีช่วงสะดุดตอนในตอนที่ปีหนึ่งเราเรียนมสวองคาราสทุกคนจะรู้ว่าพอเด็กปีหนึ่งมสวต้องไปอยู่องค์คลาคือ อ, อยู่ห อ, อซึ่งพี่เลี้ยงจะบอกว่ า, น, านัดเดี๋ยวมีประกวดแม่หนูไปไม่ได้ค่ารถตู้มันร้อยหนึ่งไปกลับแล้วหนูจะกลับมาเรียนทันไหมยังคือยังไงก็ยังเป็นเด็กที่ยึดบ้านการเรียนนะคะเพราะว่า เราถูกแม่หลอกอันนี้นะั่นเคยเล่าไปแบบแม่หลอกแม่บอกว่าถ้าเรียนไม่ดีจะให้เลิกเป็นตุ๊ดแล้วเราเป็นเด็กที่เชื่อฟังแม่มากออคือแม่จะเลี้ยงแบบค่อนข้างโบราณตีออออหกโมงเย็นถ้าแม่เข้าบ้านตี เ, ออเลิกเรียนบ่ายสามนะสมัยยังไม่ทำพาร์ทไทม์นะถ้าสี่โมงยังไม่ถึงบ้านตี เ, ออเราก็เลยเชื่อแม่ทุกอย่างแล้วมันจะมีตั้งแต่เด็กแม่ปลูกฝังว่าพอตอนแม่รู้ว่าเราเป็นตุ๊ดนะเนาะถ้าเรียนไม่ดีนะกูออให้มึงเลิกเป็นตุ๊ดกูมึง กลวไม่ได้เป็นโต๊ดซึ่งโตมาเราถึงเพิ่งรู้ว่ากูจะเป็นโต๊ดจะแม่ก็ห้ามไม่ได้เพิ่งโย้ใช่แล้วแล้วมันก็เลยปลูกฝังให้เราอ่ะรักการเรียนมาแบบตลอดเวลาแล้วพอต้องเข้ามาหาลัยปุ๊บก็เริ่มไม่ได้ประกวดเพราะว่าต้องเอาเรียนก่อนแล้วพอเรียนมาหาลัยมันหนักขึ้น อ, อะไรอย่างเงี้ยจนมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นไรายได้ก็น้อย ได้อาจิตรพันธ์เจวันนะคุณผู้ชมแล้วแม่บังคับให้กลับบ้านด้วยนะหนักที่อะไรค่ารถไปกลับหนูต้องนั่งรถเมย์ที่แบบประหยัด6บาทอะถ้านั่งจากหน้าหน้าปักสอยบ้านนะอะแปะหนูสวัสดีแล้วค่อยต่อรถตู้ที่ไปอุทลักษ์อกลับนั่งจากหน้าบ้านไปโรงฟิวเจอร์อะ จะต่างกัน6บาทแต่ว่าเสียเวลานั่งรถอ่ะสองชั่วโมงเพื่อประหยัด6บาทใช่แต่เมื่อก่อนมันไม่ได้มันไม่มีอะไรทำไงเออช่างแม่งกูหลับรถเมไปอะไรไปสองชั่วโมงแรก6บาทคุ้มมากสำหรับหนูตอนนั้นขํขำมีดอกเออเออเฮ้ยแกนี่ขนาดฉันฟังมาถึงแค่นี้คือแบบเฮ้ยชีวิตรถผลนี้ชีวิตรถผลอีกนานะเทบเนี้ยยาวแน่เอาอให้จบบเสร็จปุ๊บ พี่ที่รู้จักอันนี้ต้องบอกว่าจะไม่มีวันนี้เลยถ้าขาดพี่คนนี้เหมือนกันชิพที่บิวตี้ฉัญอาเด็นฟ้านพะพนไปหาภาพนางนะเป็นลองมีชิฟานีวันนั้นนางจะไปแคสงานพิธีกรเคเบิลเมื่อก่อนช่องเคเบิลมันดังมากนะเดี๋ยวจะเล่าว่าเธอทำเงินกอบโกยมากก่อนที่จะมีดิจิตอลเนี่ยเออเยบิวก็บอกว่าเมื่อก่อนเหมือนกึ่งๆึเป็นเบสนางเป็นแบบผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอีวีก็เป็นดาวจะเป็นดาวเออ อีนัสไปเป็นเพื่อนเจ้หน่อยเจ้จะไปแคสพิธีกรลำพานพี่พวกไปเป็นเพื่อนเราได้ทุกทีแล้วเราก็ไปแบบเราแคสงานอะไรแม่พิธีกรทีวีหึ้ยหนู่ตื่นเต้ น, นอยากดูว่ากล้องมันเป็นยังไงห้องโถ ม, มันเป็นยังไงแต่จริงๆข้างในอะรู้ว่าถ้าไปเป็นเพื่อนต้องได้ไม่รู้เลยตอนนั้นไม่จรินะคิดชะว่อยากไปดูไดโลงดาราเพราะเขาบอกว่าจะไปช่องเคเบิลอยากเห็นหน้าอยากไปเราก็ไปนั่ง ใหญ่เขาก็แคสแคสแคสแคสจนเขาอ่ะหนูมาแล้วนะลองไหมปุ๊บเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนหนูเด็กที่พูดไม่เก่งไม่เชื่อไม่เก่งเลยพี่ปอนแล้วมาเก่งเมื่อไหร่ตอนทํางานนี้อวันแรกที่แคสปุ๊บแบบชาวบ้านมันจะมีจออยู่ตรงนี้อกล้องอยู่นี้จริงๆเราต้องมองกล้องอเชื่อเถอะว่าทุกคนที่เข้ากล้องครั้งแรก่ะมองอีจอนี่ก็อยากเห็นหน้าตัวเองเคยแต่เป็นทุวันนี้เป็นอยู่เลยค่ะแนะนําตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะ น้านี่สามารถนี่น้องมองกล้องค่ะค่ะแล้วก็จับผมจับอะไรซึ่งแบบพูดจริงๆนะวันนั้นบากบุญเขาเอานี่บุญมากพอพูดไม่ได้บุคลิกไม่ได้นั่งหลังคอมได้แต่เหมือนเขาอาจจะเห็นแววบางอย่างพูดอีกทีว่าอะไรนะสวยก็กนฝึกเขารับเขาทำงานปุ๊บตอนนั้นเทปหนึ่งได้หนึ่งพัน ทำงา น, นชั่วโมงเดียวได้หนึ่งพันบ้าไปแล้วปกติกูเจวันได้พันหนึ่งจากแม่อย่างนางงามต้องอยู่ถึงตีสอยู่ถึงตีสวันนั้นตื่นเต้นมากแล้วอาชีพอะไรดีๆอ่ะมีช่างทำผมมีเมคอัพให้มีออชุดให้กูไปนั่งเยลๆได้พันหนึ่งออคล้ายทำอยู่สามวันเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องมาแล้วนะ เ, ออเพราะหนูอ่ะทำไม่ได้เลยสวยอย่างเดียวเออชื่อไหมวันนั้นมือสั่นกูพงจะเริ่มจับ เงินเป็นพันแบบด้วยความรวดเร็วแล้วหนูก็เลยถามเขาตรงๆว่าหนูต้องทํายังไงคะหนูถึงจะได้อยู่ต่อวันนั้นหนูบอกเขาเลยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมหนูมานั่งดูเขาจัดรายการอ่ะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วหนูจะรู้หนูต้องทํำยังไงเอปกติเราไปเนี่ยเฉพาะรายการของเราหนึ่งชั่วโมงเรารับเงินกลับบ้านหนูไปเลยตั้งแต่สตูเปิดสิบโมงหนูนั่งถึงสามทุมเพื่อดูว่า คนนี้มีเสน่ห์ยังไงอ๋อเขาหัวเล้กันตอนนี้อ๋อเขาเว้นที่คนนึงพูดออ๋อรอเรือรอลิงต้องยังไงเราเมื่อก่อนคนที่พูดอ่ะปากไม่ขยับเลยแต่ว่าเราคุยกันร้เรื่องเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องเลยนึกออกปะแต่คนในจอจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเพราะว่าเวลาอยู่ในจอปากมันต้องชับคนดูถึงจะเก็ตเออนึกออกปะคาก็เริ่มปรับตัวบุคลิกภาพใดๆต่างๆ จนเชื่อไมว่าจากเด็กที่ลูกกระจกมากเวลานั่งแต่งหน้าเนี่ยจะต้องไปแอบแต่งในห้องแต่งตัวเพราะ เ, <อ>าเขาจะมีแบบเบอร์ใหญ่ตัวใหญ่นั่ง อ, อยู่ระยะเวลาผ่านไปเร็วมากคือตอนนั้นการทำเคเบิลเนี่ยฝึกหนูขายของอยู่แล้วเพราะเคเบิลก็อยู่ได้ด้วยการทอล์คทอล์คตอนถังาขายของทายอดเคยทำยอดได้สูงสุดเลยนะสิบหนาทีให้ทาว่าหนูขายได้กี่บาทล้านหนึ่งสามล้านห้า วันนั้นเป็นวันที่ชีวิตหนูพริกมากและช่วงชีวิตช่วงนั้นเนี่ยพุ่งโตนะคะว่าก็พอจะมีรายได้หลักหนึ่งที่ทําให้พ่อกับแม่เนี่ยหยุดทํางานหนูบอกแม่เลยนะหยุดขายข้าวแกงได้ละไม่ได้ว่าอยากให้แม่สบายนะไอ้ข่าวเวลารู้แม่นี่สั ม, มีขายข้าวแกงแม่แกแ่แล้วแล้วเราก็แบบหนูทําอาชีพ น, นี้จนหนูเรียนจบมามแต่วันหนึ่งที่หนูสบายพอจุดนึงอะ หนูอยากให้แม่หยุดทําหนูอยากให้พ่อหนูหยุดทําเน่งออกปะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ก็พอแม่หยุดทําทุกอย่างกําลังลงตัวหนูเริมเก็บเงินวุ้ยจะแตกเงินล้านอืมันก็เหตุการณ์เหตุการณ์จอดําำซึ่งวันนั้นนัดกําลังไปทํางานนี่กี่ปีเองนะนี่ใช่กําลังแต่งหน้าจะเข้ารายการอยู่ๆไอ์รายการก่อนหน้าเราปุ๊บมืงเมืองมงจอดับเราก็ไม่ไฟดับหรืออะไรสัญญาณตัดสักพักเราเริ่มรู้ตัอว่า สามหเ ก, ก, กเคเบิลถูกช่องอะ่ะปิดขึ้นว่าตอ น, น, นมันพูดไม่ได้หรออ่ะใหญ่ตันาตาเออปุ๊บทุกคนไม่มีใครรู้ตอนนั้นถ้าย้อนไปนะไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะยังไงต่อชัว่วโมงนึงเดี๋ยวก็มาเจอ ย, ย่างนั่งเมาส์กับแบบช่างแต่งหน้าเมากับเอเอไอดอกยังไม่หายอ่ะสองชั่วโมงจนมันเลยเลสรายการหนูอ่ะไปแล้วมันต้องไกษาเจย์หนูกลับก่อนนะหนูเป็นหลู้อยู่ทําไมแล้วเออก็กลับ นอยอย่างเดียวว่าอีดอกไม่ได้ค่าตัวอ่เออ แ, แต่ว่าแต่ข้าง <ละ S 2> ผมเสร็จแล้วช่างมันลงไปกินเ f เอฟซีปุ๊บจนคืนนั้นก็ยังไม่กลับมาอมพรุ่งนี้เช้าจนโปรดิวเซอร์ตอนตอนเช้าตอนนี้ประกาศแบบทุกคนยังไม่ต้องมานะเพราะว่าเขายังรัฐบาลไม่มีกำหนดว่าจะยังไงต่ อ, อ ม, มาสองวันก็นอนอยู่บ้านยังชิวเจ็ดวันเดือนหนึ่งอตอนนั้นมันปิดไปเกือบสองเดือนซึ่ง ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมีการลดพนักงานคือพอตอนที่มันกลับมาจริงๆอะค่ะคนอะตอนนั้นมันจะมีช่องทีวีดิจิตอลละใดๆละเรตติ้งที่สมมติอนหนตีเป็นตัวเลขง่ายๆคนเคยดูช่องเราร้อยคนตอนนี้เราออนมันเหลือไม่ถึง5้ามันคือวิกฤตนะแจนออกปะเขาต้องมีมาตรการลดพนักงานก่อนเราตัวท็อปเรายังไม่โดนสักพักหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งคือทุกอย่างมันหวบเร็วมาก ลดเงินเดือนได้ไหมจนถึงจุดหนึ่งที่เราพูดเก่งแค่ไหนแต่มันไม่มีคนดูอยอดมันไม่มาเข้าใจถูกปรับจากเป็นเทปเป็นเดือนอเป็นเดือนนี่คือดนจับเป็นพนัก ง, งานประจํานะเข้าใจหนูนี่ช็อกมากแล้วหนูก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าช่องบีบให้เราออกอคือพอตัวกิกก๊อกเนี่ยเขาไล่ออกเลยเออแต่ตัวทัท็อพเนี่ยเขาจะค่อยคอยบีบมึงอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปสิ ความที่เราก็มีสปิริตพอในจุดหนึ่งฉันจะไม่รอวันนั้นวันที่แบบฉันนี่ออนออกว่ะหนูตัดสินใจออกเลยหนูบอกว่าคือเขาบีบเราหลายอย่างเขามีกฎมากขึ้นกลายเป็นว่าหนูต้องมาตอบบัตรหนูเข้ารายการบ่ายสองออแต่หนูต้องมาตอบบัตรแปดโมงหนูต้องมาทำอย่างอื่นเพราะว่าเขาไลาโ่โปรดิวเซอร์ออกไปแล้วต้องมาทำรายการเองอะไรหนูรู้สึกว่า มันไม่ใช่หรอนี่ถึงขั้นจะต้องมาทำรายการเองโปรดิวเซอร์ตัวเองมันไม่ใช่แล้วช่างต้องเคยมี8คนตอนนี้เหลือสองคนอย่างเงี้ยตรงนี้แหละเรารู้สึกว่าคือพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่รบัดแลงนะปูไว้ละใช่หนูทำโปรดิวเซอร์เองหนูรู้วิธีการถ่ายรู้การจัดแสงคือเราเป็นคนสนิทกับทุกคนงเออเราก็เลยรู้ทุกขั้นตอนแต่ถึงใจลออกมา รอให้กับแม่เลยนะอืมแม่เราไม่มีเงินเดือนแล้วนะไอเดือนหกหลักนะ่ยที่ว่ามมไม่มีแล้วแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำํำนอนเครียดอาทิตย์หนึ่งเริ่มเครียดแล้วทํายังไงดีมันไม่มีตังค์แม่ก็ปิดร้านไปแล้วอยู่ๆจะให้แม่กลับไปขายข้าวก็ไม่ใช่จใจพ่อไปทํางานรับจ้างก็ไม่ใช่นึกออกปะวันนั้นก็เริ่มโชคดีของเราที่พอจะมีฐานแฟนคลับในเฟซบุ๊กเราทาคลิป ใน Facebook แมะเหมือนที่เราทำในเคเบิล<น>เอ่ อ, อ, อนี่ดอกเป็นเงินนอยนี่แล้วยุคนั้นะ่ะมันเป็นยุคที่คนอะ่ะจำนวนมากกำลังเลิกดู cable เคเบิลและเบื่อทีวีดิจิตอลอ่าถูกเพื่อเข้าสู่ Facebook หนูกล้าพูดเลยเนาะหนูเป็นคนแรกๆเลยที่หาเงินจาก Facebook เชื่อเพราะว่าตอนแเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเล่น Facebook หาผัวโพสเตตัสเฟซบุ๊กในสนี้คุณผู้ชมย้อนไปได้เลยค่ะ สี่ปีที่ผ่านมาไม่มีสเตตัสเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองเลยทุกสเตตัสของหนูคือออฟฟิศหนูนึกออกไหมมันเป็นออฟฟิเชียลมากสมัยที่เ c e b o o k ยังไม่มีเพจทุกคนคือ Facebook บุคคลบุคคลมันต้องมีความรู้สึกปะกูเบื่ออีเนี่ยกูตั้งสเตตัสแบบด่าลอยๆหรืออะไรนี่สมันนี้ไม่เคยมีนี่สมันนี้คือคนแแมสสังคมมากที่แบบทุกอย่างคือรูปต้องสวยสเตตัสนี้คือซะ จะเกี่ยวกับสังคมกูก็เอาให้มันสุดดรามา่าการกุศลอะไรมันไม่มีความรู้สึกของหนูอะซึ่งเวลาที่ลงลที่บอกว่าจะเป็นสเตตัสเกี่ยวกับสังคมก็เอาให้สุดดราม่าเนี่ยเรามีแบบดดาาเบื้องหลังไหมว่สดดาสเตตัสนี้เราจะสะท้อนอะไรเราจะต้องได้อะไรจากมั น, ดดดดมนต้องบอกเลยนะคะว่าทุกโพสต์ทุกการกดไลค์ทุกการาไปตอบกับคอมเมนต์ผ่านกระบวนการคิดแล้วอืมใครสอนได้มาจากไหน อ้จริงๆหนูว่ามันเป็นการปรับตัวไปเรื่อยๆแล้วนัด ก, ก็อยากให้ทุกคนเด็กที่ดูอยู่หรือคนที่ดูไม่ต้องเอาอย่างน100ั้นรอยซมันอาจจะดูเป็นหุ่นยนต์เกินไปแต่นั้นม่่รู้สึกว่าบางสเตตัสที่มันไร้สารมันไม่ควรโพสบน Facebook บางคนนัดอันเฟรนเลยนะเพราะ น, านันรู้สึกว่าบนหีแตกอะไรนักหนาคือในเฟซมันไม่ได้มีแต่เพื่อนมันมีเจ้านายมันมีซัมติงที่แบบ บางคุณอาจต้องมี f a c e b o o กหลุ่มไหมหรือ อ, อะไรแต่เ c e บ o o กที่มันเชื่อมทั้งงา น, นเชื่อมทั้งชีวิตคุณอะ่ะมันต้องแบบบางคนทะเลาะ ก, กับแฟนพรุ่งนี้ดีกับแฟนทะเลาะ ก, กับแฟนแบบมันล้ำอมมา่ะนึกออกปะตั้งแต่คุยมานะ น, านัรรนทิสามณีนี่เป็นคนที่คิดแบบซ e o ตั้งแต่เด็กเลยติง i k ก a b บ s สอย่าแตะขาเดี๋ยวบอกส่วน <c oughs> ติงไรกับตลอด ตั้งแต่เขาบอกว่าหนูไม่ต้องมาแล้วตั้งแต่เคเบอร์แลนด์เป็นแจ้นนะได้ค่ะขอบคุณแล้วเดินออกไปเลยกูไม่กลับมาอีกเลย <c oughs> แต่อันนี้พี่หนูจะทำไงให้เด็ ด, ดูอยู่ต่อ อ, อมันก็เกิดบทสนทนาขึ้นแล้วถามลูกค้าตลอดชอบไหมคือมันเป็นการที่แบบนัดพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีที่สุด <c oughs> พออะไรหรือปะเพราะเพราะหนูจนเย พูดจริงๆนะคือวันนี้เวลาคนหนักก็ทำไมต้องขยันขนทุกวันนี้หนูทำ8อาชีพหนะเว้ยคือออนไล่มาสิต้องไล่เลยเหรอไล่ไล่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เนาะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสิร์มของตัวเองนะคะสฟิโรเน่กระเทยต้องกินเนาะสวยอ่ะเป็นอะไรอีกนะเจ้าของแบรนด ขนตาเครื่องสำอางใดๆเดี๋ยวจะกำลังจะขยับลายเนาะเป็นนางแบบใดๆเออเราก็ตารางงานไม่ค่อยรับแล้วเพราะอ้วนแล้วก็เมื่อก่อนผอมมากแล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวเป็นบิวตี้คอนซัลเ์เป็นที่ปรึกษาด้านสัลปกรรม คือทําอะเยอะมากเออเพราะว่าจนไม่ได้ว่าเป็นคนเก่งหรืออะไรนะมันเคยมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่ามีทฤษฎีว่าคนเนี่ยที่จะไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการมันมีสองอย่างคือหนึ่งอยากทําทให้ได้ดีกับสองกลัวไม่ดีเขาบอกว่าพลังของคนกลัวไม่ดีอะ่ะแรงออกว่าคนที่อยากดีนี่ก็คือกลัวจนใช่แต่ถ้าเชื่อไหมถ้ให้เลือกได้นะ จะขอเลือกชาติด้นะเกิดมาเป็นคนรวยมากๆแล้วก็เกียดเพราะเหนื่อยไม่มีใครเวลานะพูดตรงนี้นะต้องพูดให้มันดูเผานล้ทํา8ดอาชีพแล้วนักก็อยากทุกคนนะคะแบบ ลองดูเชื่อเถอะว่าเราจะสําเร็จเราจะได้ซื้อกระเป๋าแบรนดเนมที่เราชอบอมึงไม่รู้หรอกเบื้องหลังกูนอน้องได้ขนาดไหนอคุณหน่อยขนาดไหนกูบางวันไม่ได้อยากแต่งหน้านะก็เป็นสิวอะต้องเลยขึ้นมาแต่งบางวันคุณไม่ได้อยากทำอ่ะต้องทำโดยสฉพาะอาชีพของนัดเนี่ยนั้นมีปัญหากับอารมณ์ตัวเองเยอะมากอื น่าต้องยิม้มมันมีความขัดแยง้งน่าต้อ ง, องยิม้มข้นามันที่ก็จ่ายให้ยิ้มไงเขาจ่ายให้ยิม้มตอนจะเริ่มไลฟ์มันมีปัญหาเยอะมากเน็ตกระตุกอีดอกอีผู้ช่วยก็ขัดใจข้าว<อ>ยังไม่ได้กินทะเลาะ ก, กับแม่หรืออะไรก็ตามสิบโ<อ>มงครึง่งเตงทุกอย่างยกออกไปก่อนอืสวัสดีค่ะบาแลา้วสปาร์ตเฟ<อ>พอจบไลฟ์ปุ๊บเราบิลเธอเองให้เราอารมณ์ดีไปแล้วอะจบไลฟ์ปุ๊บเรามีปัญหาความรู้สึกว่าแบบอ้าว บโพรเออฉันยังไงเราเชื่อไหมว่าตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนหลังหนูรู้สึกว่าขอบคนที่หนูมีพรสวรรค์ด้านนี้ติงอะไรกับบอสอีกแล้วอันนี้พูดจริงคือบางีเวลาหนูอะไรนะหนูเก็บอารมณ์เร็วมากสมมติหนูทะเลาะอะไรอยู่ก็ตามมันต้อง move on แล้วบอกว่าจะทําไม่ได้หนูปุ๊บพี่ปอนมาเริ่มรายการเลยแม่ต่อให้ตัวตอนที่เดินเข้ามายังตีกันอยู่เลยนะคุณผู้ชมไม่จริง ย่างมีมีครั้งหนึ่งหนูถ่ายรายการที่หวี f a ฟ e b o ๊ k เนี่ยคือที่สุดของชีวิตมันคือมันคือบริษัทหนูมันคือเงินหนูมันคืองานหนูอีเพื่อนในแกงที่หวีวางแผนว่าหนูโดนแฮกใช่ไหมว่ามันคือเรื่องมันเหมือนบ้านหายอีดอะบ้านไฟไหมแต่สิ่งที่เราต้องทำเราถ่ายรายการอยู่แล้วมันไม่ใช่รายการเราคนเดียวมันมีเพื่อนอีกสามคนมันมีทีมงานอีกเจ็ดคนทุกคนแบบ เพราันนัเป็นคนแฮกนะแต่มันก็เยี่ยน้วมันก็บอกออมึงไหวไหมเบรกกล้องไหมออหนูตัดสีดำปะไม่เป็นไรมึง move on คุณผู้อมเราอยู่ที่วัดอรุณนะคะพอคัดนะพี่กี้หนูขอสองนาทีอะ ต, ต, ต, ต, ต่อต่อต่อมาใจนะเครียดมากแต่พอกล้องหันมานะสี่สามไม่รู้มันเป็นอะไรเออต่อเลยค่ะทำได้ธรมชามากธรรมชาติมากปลอมจนตัวครูไม่รู้ว่าคูแสดงอยู่<อ> มันในความที่เธอคิดว่าเธอปลอมอ่ะเธอมีความจริงอยู่มันเนี่ยนั่งคุยอยู่เนี่ยในความที่เธอพูดกับฉันตลอดว่าหนูปลอมจนไม่รู้ไม่รู้แล้วข้างในอยู่เป็นอะไรแต่ว่าคําตอบที่ได้หรืออะไรก็ได้มันก็มีความจริงอยู่คือหนูก็รู้สึกว่าช่วงวันนี้ยที่เราทํามตอนแรกมันอาจจะเกิดจากความจนอืแล้วเราก็ไม่อยากให้แม่ลําบากแต่พูดตรงๆทุกวันนี้ยก็ พอจะถูกถ่ายไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวนั้นเองก็คงไม่ได้มีลูกเราถ้าหากกินคนเดียวนะพูดตรงว่าสบายมาแต่ว่าทุกวันนี้นัดเลี้ยงคนในบ้านทั้งหมดอะเป็นสิบพี่สันจ้างทํางานให้ฉันน้องสันจ้างทํางานให้ฉันออะไรใดๆแม่พ่อช่วยกันทำงานหมดใช่เพราะหนูมีครู้สึกว่าถ้าเขาจะดนสักคนนึงใช้งานอะเป็นหนูละกันไม่อยากให้เป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทุกวันนี้ยังหยุดไม่ได้เพราะคิดว่าถ้าหยุดคนข้างหลังอ่ะจะลําบากอแล้วมันก็จะมีแรงผลักดันที่ว่าเราไม่ใช่ลูกชายอืคนแถวบ้านใดๆขอบคุณแม่ขอบคุณแบบญาติผู้ใหญ่ที่เชื่อในตัวเราว่าการที่เราเป็นกระเทยอ่ะเราจะอยู่ในสังเขาตอนแรกเาเป็นหนูถค่ว่าหนูจะอยู่ในสังคมไม่ได้แต่ตอนนี้หนูทําให้เขาเห็นว่าหนูไม่ใช่แค่อยู่ได้นะแต่หนูเลี้ยงพวกเขาอ่ะได้เพื่อในยุคฮิวิเนี่ย มาเล่าให้แจฟฟังถึงการที่น้าที่สามนีเนี่ยไปผลักดันให้เอขอาขยันทํางานมันเมาเหรออ่า <c oughs> มีคนเมามาคนนี้ไม่ยอมทําคลิปออกมาเ อ, อไปเลยถึงที่บ้านเลยไม่ทํางานหรอโทรหาสปอนเซอร์พี่นักขน้าที่สาม น, นีค่ะเอามีเพื่นคนนเก่งมากเลยนะ <c oughs> หาสปอนเซอร์ให้เพื่อนทํำไหมทำเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเธอเป็นเป็นอินฟลูเอนซ์ที่ดีมากให้กับเพื่อนเพื่อนรอบๆตัวของเธอหนูไม่รู้ว่าคนอื่นมองอย่างเพื่อนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อมว่าโมเมนต์นั้นน่ะไม่ได้อยากให้เพื่อนได้ดีหรืออะไรนะหงุดหงิด เป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วจะหงุดหงิดเวลาเห็นคนตื่นสายอขนาดที่ไลฟ์สตลแต่ละคนไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราต้องทํางานแล้วเวลาเราเห็นคนไม่ทํางานมันหงุดหงิดหนุม่มไอ้เราพี่ปอนเข้าใจไหมคือคนที่ทํางานมาตลอดตั้งแต่เด็กอะ่ะแล้วทุกวินาทีมันสร้างเม็ดเงินสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเวลาที่เห็นว่ า, อ, าอัน้า<ำ>เจ๋ไมอะทําไมมีพลังที่จะสร้างแต่ไม่สร้างใช่จะแบบจะไป จัดแจงให้วันนั้นก็คือจัดแจงสปอนให้เพื่อนจัดแจงเนี่แต่ไม่รู้หรอกเนาะวมันจะเป็นสองขวดีไงกับเพื่อนอันนี้พูดจัดใจนะคิดแค่ว่าอย่าอยู่เฉยหงุดหงิดไม่ชอบต้องทําอะไรสักอย่างแต่ก็แคร์ด้วยแหละต้องเป็นคนที่เราแคร์คุณถึงจะเข้าใจแต่คุณไม่แคร์คุณก็ปล่อยไปสิคุณจะไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เราพูดให้เหมือนกับว่าเราพุดโอ้ยคนนี้ไม่อยากเห็นเพื่อนอยู่เฉยแต่จริงๆอะเป็นคนดีสวยมากทั้งนอกและในนอกนะหมอให้มา หนูอ่ะอยากหาอะไรใหม่หมๆตลอดแต่ต้องบอกว่ามันมีปมที่ว่าเราอยากเป็นดาวอจริงๆตอนนี้มีเป้าหมายใหม่อันนึงแต่พูดในรายการคัวคนหลอ้ออยากถามว่า next step ของนิสามันคืออะไรคือน้าเราจะมาคนณวางแผนชีวิตตัวเองอบ่อยมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลายๆโปรเจกต์ที่เราตั้งไว้ ม, มันล่มพราเราต้องทํางานแบบงานาชนงานซึ่ง มันก็เป็นอีกหนึ่งปมในชีวิตที่บางทีเราบ้างเงินเกินไปหรือเปล่า <ừ> แต่เวลาเราหันไปเห็นคนข้างหลังปุ๊บอ๋อก็ต้องทำอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้อยากรดน้ำหนัก อ๋อเดี๋ยวรับงานเดี๋ยวนั้นนโอ๊ยนอนดึกแล้พวพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวผิวไม่ดีไม่อุ้มน้ําแต่งน้าไม่ติดเนี่ยมันก็จะมีปัญหางานชนงานแต่ว่าสเต็ปต่อไปนะัทอย่างนัทเคยคิดว่าน่าจะไปฝึกวาดรูปเพิ่ ม, มเพราะนัทเชื่อว่าความเป็นยูนิคของนะัทข้างในลึกๆคือการเป็นนักวาดภาพประกอบออาชิพที่นั้นอยากทํำเลยนะ illustrator เจ๊ต้อไปขุดภาพใน Facebook ที่ฉันวาดภาพประกอบนั้นเนี่ยขึ้นมาเลยตอนเนี้ยเออออออราู้ uh, uh, uh, uh, สึกว่าจะเป็นคนวาดภาพได้ยูนิคมากคนหนึ่งอือืม แต่ไม่ได้ต่อยอดรับพอเรามาทําตรงนี้มันมันหายไปแต่เชื่อไหว่าพอแก่ขึ้นแก่ขึ้นจะต้านความต้องการภายในนั้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ไม<ะ>เพราะว่า อ, อะไรปะพอแก่ขึ้นแก่ขึ้นไม่เป็นคนจ้างรีวิวแล้วไงก็เลยมีเวลาว่างไปวาดรูปจริงหมายถึงว่าจริงที่มันจะต้านยากอืมแล้วท้ายที่สุดนายก็จะไฟความแมสออกไป เราก็จะยังคงอยู่ตอนนั้นขอให้ให้แบบมีตังค์กินไปจนตายก่อนละมีแล้วแค่นี้ก็มีแล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ากระเทยลูกเล็กเด็กแดงลุกอาบนัดว่าเป็นโรโมดอลว่าแบบนี่แหละคือสิ่งที่ฉันมีจริงหรอมีเอ่ต้องแข็มตัวก็เลยอยากจะให้นัทเนี่ยคิดว่าอะไรที่สังคมมองว่านัทเป็นยังไงแล้วอยากจะบอกลูกเล็กเด็กแดงอ่ะว่าอะไรเมสเซจถึงเขา จริงๆมีแมสเซจจะพูดนะเยอะมากค่าสำหรับสาวเพศสองในสังค ม, มหรืออะไรก็ตามเยอะอะเยอะจนไม่รู้จะแบบเราเราเราจำกัดไปที่เด็กเลยเด็กที่กำลังจะโตมาเรารู้สึกว่าอยากทำนมอยากทำหน้าอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากจะมีชีวิตผู้แฟบเป็นนัทนิสสมานีการศึกษาสำคัญที่สุดสำหรับนัดเชื่อัหมว่ามันจะมีเส้นตอนนั้นที่หนูเลือก ว่าหนูจะจบมสามแล้วหนูจะไม่เรียนต่อเพราะหนู อ, อยากไว้ผมยาวกระเทยเนี่ยอยากไว้ผมยาวมากอืกับการที่เราจะต้องอยู่ขัโปกไปเพราแม่บังคับเคยโกรธแม่มากที่แม่บังคับให้เรียนต่อมาปลายอืออยากไว้ผมยาว อ, ะอ่ะเ<ม>ล้วปะเราก็พอต่อมาก็เลยรู้ว่าการศึกษา ม, มันสําคัญจริงๆผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากศูนย์บางคนบ้านรวยหน่อยอาจจะบวกหนึ่งกระเทยนะเริ่มต้นจากติดลบนะ้าขอใช้คํานี้เลย การที่คุณมีการศึกษามันไม่ได้แค่บวกนะมันจะทําให้อย่างน้อยคุณน่ะเคลิบไปเป็นศูนย์จากติดลบซึ่งการที่เรามีอะไรไปพูดกับคนในสังคมคนไม่รู้หรอกว่าเราคิดดีคนไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงจากข้างในแต่สิ่งที่สังคมมันจ้สเราตอนเนี้มันอาจจะเป็นใบปริญญาหนึ่งใบที่เวลาเรายื่นไปปุ๊บอ่ะเขาอาจจะเปิดใจให้เรามากขึ้นนี่คือสิ่งที่หนูคิดนะอื ม, อมดังนั้น โฟกัสที่การศึกษาไว้ก่อนการศึกษาสำคัญมากทำหน้ามีเวลาเยอะออที่จะแบบได้มาฉีดได้มาทำจริงเฮ้ย จ, จะคุยกันนะ้นจะได้หลายเยอะมากอะ่ะแล้วที่สำคัญเป็นคนพลังดีมาก <c oughs> แล้วก็บอกได้เลยว่าเราเห็นว่าเออนี่แหละเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวเวอร์ตัวท็อปนะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามาคุยกันแล้วเนี่ยจะมีเลเยอร์มีเดฟมากขนาดนี้แล้วก็ ความ ต, ต, ต่างๆความแพร่ควาๆๆต่างๆไม่เอาละชมมากเกินไปขอบคุณดีก่าขอบคุณนะแล้วก็หวังว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะได้อะไรไม่มากก็น้อยละกันได้แน่นอนขอบคุณนันทิสามณีนะค ะ, คะสบัสดแปลงคุณ่ะสบัดแปลงซิอ่ะสบัดแปลง